พระธรรมเทศนาแผนที่110ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11มิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่าปุยกัดคนลืมตัววันนี้เป็นวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2560 เมื่อวานหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับานาคผู้ที่จะมาบวชในพรรษาแต่พ่ตามไม่จริงหลวงพ่อไม่ได้ประกาศทั่วทั่วไปนะไม่ใช่ว่าใครอยากจะบวชไม่ใช่ประกาศหาคนบวชไม่ใช่หลวงพอ่อพวกพ่อแม่ได้มาพูดกับหลวงพ่อไว้แล้วนะานาคที่มาตกลงกันไว้แล้วหลวงพ่อได้คัดสรรแล้วว่านาคคนใดที่จะสมควรบวชในวัดของเรา หลวงพ่อได้รับนะแล้วก็ให้นาคเหล่านั้นอนะ่ะที่หลว ง, งพ่อได้ตกลงกันกันกบพ่อแม่นะกับทัวนาคนะให้เข้ามาได้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อประกาศหาคนบวชลูกใครตาชี้ตาสาตะมีตาหมาไม่รู้จักกันใครอยากจะบวชมาบวชเดอ้อไม่ใช่อย่างนั้นนะให้เข้าใจนะ ใ, ใครเข้าาได้ตกลงกันไว้แล้วที่จะเข้ามาบวชในพรรษาลูกหลานผู้ใดติดติดูแล้วคัดสัดแล้ว ตกลงกันแล้วนะกับพ่อแม่กับตัวนาคกระหเวมาได้ an. วันที่ 23-24 มิถุนายนพุทธศักราช2560เมื่อมาแล้วเราจะได้ท่องขานนาค7วันจากนั้นเราจะบวชวันที่1กรกฎาคม2560เมื่อบวชแล้วก็เตรียมตัวท่องวิธีแสดงอาบัติและวิธีแสดง ทองเข้าพรรษาอีกเจวันคือเตรียมพร้อมเตรียมกายวาจาใจให้เตรียมพร้อมเพราะการอดอาหารเราเป็นพระใหม่และก็วันที่เก้าเป็นวันแรมค่ำหนึ่งเป็นวันอาทิตย์เป็นวันเข้าพรรษาใ น, นี้อขอแจ้งข่าวให้กันนะสัทธาญาจุโอมได้รับปูรับทราบร่วมกันและก็เมื่อกี้นี้ที่ให้ท่านผู้กํากับก็คุณปอเพสัตวบันผือได้ยก ขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์ในวัดของเราได้รับผู้รับทราบว่าวัดของเราจะได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นที่หลวงพ่อเคยพูดกล่าวมาหลายครั้งนะแต่คราวนี้เป็นจริงขึ้นมาแล้ววันที่สิบมีท่านผ อ, อ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแล้วก็คณะแพทย์พยาบาลกลุ่มของท่านอ่ะแล้วก็ผู้ที่เจ้าของเครื่องมือแพทย์เอาเอกสารเข้ามาให้หลวงพอ่อหลวงพ่อก็ได้ถาบไทยว่าเครื่องมือแพทย์มาเมื่อไรมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมนะเข้ามาจนจนถึงวันที่วันที่8ที่9 วันที่10วันที่สิสเมื่อวานมิทุนาใช้เครื่องมือมาแล้วว่าจะค่อยๆไปจะครบเดือนแหละเขาก็จะเรียกเก็บค่าของเขาค่าเครื่องมือแพทย์แต่ก็เครื่องมือแพทย์ตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างมากหลวงพอ่อถามรัวได้ใช้ได้อย่างใช้แล้วให้กับพี่น้องประชาชนเกือบ200รลายนะไม่กี่วันนะลูกหลานนะ เครื่องมือของเราเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินทำกับคนใช้กับคนมาแล้วนะเกือบ200ร้ยลาย2อ0คนนะนั่นแหละมันมีประโยชน์อย่างมากกับพี่น้องประชาชนนี่แหละก็หลวงพ่อก็บอกว่าเมื่อหลวงพ่อได้รับเอกสารแล้วนะขคงจะหาจะตกประจยัยไปจ่ายให้เข้าให้บริษัทรับบอกหลวงพ่อก็บอกว่า ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินอาทิตย์เนอะหลวงพ่อจะดีบโอนให้ให้คณะกรรมการโอนให้เข้าบัญชีของบริษัทกับเลขบัญชีเขาก็ให้มาเรียบร้อยนะแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อโอนแล้วก็ข อ, อนหมนให้คณะกรรมการโทรศัพท์ไปบอกผมด้วยครับเออเอาได้นี่แหละอันนี้คือได้ตกลงกันเมื่อวานวันนี้จึงได้แจ้งข่าว ให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่มาวัดหลวงพ่อนะ่ยได้ชูป้ายให้ดูนี่แหละวัดวาศาสนาได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรบ้างถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวบางคนก็อาจจะดูถูกวัดวาศาสนาดูถูกโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งดูถูกพระป่าพระรงได้จตุปัจจัยมาแล้วคงจะเอาไปให้ใครต่อใครคงจะคิดเป็นอกุศล น, นี่แหละ ในเมื่อเราได้มาแล้วก็แบ่งให้โรงเรียนบางโรงพยาบาลบางสาธารณประโยชน์ที่มันจะเกิดประโยชน์นะในคราวนี้หลวงพ่อเองก็เนี่ยเรื่องเครื่องมือแพทย์และก็พร้อมการหลวงพ่อก็ได้แตะโป่งไว้อย่างที่ว่านะที่โรงพยาบาลอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายห่างจากเราจากนาคำน้อยไป ประมาณาเกือบ20กิโล29กิโลมากที่เขาวัดติดแม่น้ำโขงพอดีติดฝั่งลาวนะที่สร้างโรงพยาบาลขึ้นมา5ชั้นนะดลพ่อไปทอดพระป่าเมื่อวันที่21 22หรนะื21ไปร่วมสมทบหาทุนเพราะท่านโรงพยาบาลเป็นหนี้ตั้ง40 40กว่าล้านมา ผู้รับเหมาเขาก็จะหยุดเอาพอว่าเงินไม่ทันถ้าขืนทําไปกม็มันพอกหางหมูบริษัทจะไปไม่ไหวพอเป็นหนี้ศีนเข้ามาแล้วเนี่ยท่านก็นเลยท่านเจ้าอาวาสกับคณะกรรมการก็เลยขอให้หลวงพ่อไปเป็นหัวหน้าเป็นประธานในการทอดผ้าป่าก็ได้ทอดกับผ้าป่าก็ได้ยี่เมื่อวานน่ยท่านอาจารย์เล็กท่านพระครู เจ้าคณะอำเภอสังคมท่านเป็นหัวหน้ากับหลวงพ่อจันมีแต่หลวงพ่อจันมีไม่ได้มาหรอกท่านหลวงพ่อเล็กมาเมื่อวานเนี่ยมากระบอกกับหลวงพ่อว่าจะจะตุกประจัยเมื่อวันที่21ที่ทอดผ้าป่าวันนั้นน่ะได้ทั้งหมด11ล้านครับหลวงพ่อรวมเขารวมทั้งของหลวงพ่อด้วย11ล้านกว่าแต่ผมก็โอนให้บริษัทเขาเลยนะ่ะสิล้านทีเดียวเลยเพื่อจะให้งานมันเดินนี่แหละถ้าหากว่า เขาก็จะถอยแลยทีนี่ทั้งเงินเงินเงินไม่เข้าใช่ไหมทางจะหยุดจะเลยมันตั้งต้นใหม่หลวงพ่อเขาเออมันจะเสียการเสียงานอย่างน้อยก็ให้คานค่อยคานต้มเตี๊ยมต้มเตี๊ยมไปก็ยังดีดีกว่าเขาจะถอนคนงานออกทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงมีการทอดผ้าป่าช่วยนะจุดไหนที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนนะหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าว แต่หลวงพ่อได้สมทบเข้าไปเอานะหลวงพ่อเองไม่ได้ถือเช็คมาไม่ได้ถือปัจจัยม า, อาพอปิดปัดปดปดจจัยจํานวนมาก เ, าเดี๋ยวหลวงพ่อกลับไปหลวงพ่อจะโอนเข้าบัญชีแต่วันนี้หลวงพ่อแตะโป่งไว้ก่อนหนึ่งล้านบาทหลวงพ่อก็ได้พูดนะแต่เมื่อวานท่านก็มายันประคูท่านก็มานด้หมดหลวงพ่อที่จะจะเปิดอาคารเรียนที่อําเภอท่าบ่ออีกมาก จัดตายาติโยมสร้างในนามของท่านท่าน็นมาพูดลงพ่อก็บอกเออเอาให้เตรียมใบท่านาคารให้ด้วยเพื่อจะให้คณะกรรมการเขาโอนไปให้นะพอลุงพ่อแต่โป้งไว้เ้นะเพราะนั้นออกไปข่าวนี้คณะกรรมการลุงพ่อค ง, งจะให้เบิกจ่ายทางโรงพยาบาลศูนย์สองล้าน6 000, อย่างที่พวกเราได้เห็น และกระรงพยาบาลอำเภอสังคมอีกหนึ่งล้านแปลว่เาเงินในวัดของเราคณะสัายาธิโจมในกลุ่มของเราผานเนินของเร า, เาคงจะโอนเข้าปัจจัยใช้สาธารณประโยชน์3ล้าน6นะันลูกหลานคณะสัายาธิโจมพวกเราอนุมทธนาสาธุพร้อมกันนะเน้อนี่แหละไม่ใช่เงินหลวงพ่อนะ เ, อเป็นเงินของพี่น้องประชาชนที่เขามาร่วมทาบุญ หลวงพ่อก็เก็บเล็กผสมน้อยสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อชุมชนหลวงพ่อก็ได้เอาเข้าจุดนั้นบางทีก็เข้าโรงเรียนบ้างบางทีเขาศาลาวัดบ้างบางทีกับพระพุทธรูปบ้างมีบ้างหลายบ้างเหมือนกันนะบางทีก็ซ่อมวัดของเราวัดของเราก็จะต้องได้ดูแลอีกเหมือนกันเพราะว่าพระนเนนของเรากนหนูสิแถวยาวเหยียดไนงะ ไม่เคยขาดสามสีสิบองค์อยู่ตลอดพระเดนเหล่านี้ก็เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จำเป็นได้ใช้อีกเหมือนกันค่ามดค่าหมอค่าสงโรงพยาบาลก็มีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรกุฏิวิหารหลังไหนที่มันมีปัญหาเนี่ยเราก็ได้แบ่งอันนี้เพว่าสำหรับพระภิกษุสามเณรในวัดของเราก็มีนี่แหละจะตกปัจนัยที่ได้มา หลวงพ่อก็ได้แบ่งอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ชี้แจงได้ชี้แจงให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ละนะอันนี้ก็คือจะถูกปัจจัยที่ได้มาปัจจัยสี่เป็นปัจจัยเพืนเครื่องอาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยของบัญชิตเรียกนิสัยสี่เที่ยวบินทบาทิพาบางสกุล โคลนอยู่คนต้นไม้เสนาชนะแล้วก็ยากแก้โรคไปไข้เจ็บอันน่ปัปจจัยสีของพระสงฆ์หลวงพ่อก็มองดูไม่ให้ขาดตกบกพ่องสำหรับพระเนที่อยู่กับหลวงพ่อแต่องค์ไหนอยู่ด้วยความภาสุขตลอดถึงญาติโยมด้วยถ้่ว่าผู้ใดคิดว่าจะร่ำจะรวยใน การเป็นอยู่ของพระเนะี่ยอยากเข้ามายังมาอยู่ที่นี่เนะี่ยไปที่อื่นตรงเน้นะเป็นสถานที่ภาวนาเป็นสถานที่บำเพ็ญไม่อดไม่อยากพออยู่พอเป็นพอไปแต่ไม่หรูหราฟุ่มเฟือยนะเราอยู่อย่างพระนะให้นึกสำเหนอว่าปัจจัยที่ได้มาเนะี่ยเป็นของพี่น้องประชาชนเขายกจบแล้วจบอีกใส่หัวปรารถนาแล้วปรารถนาอีกขอให้ถึงสวรรค์นิพพาน เราจะมาใช้รวยชูแฉกใช้สุ่ม4ีสุ่มหใช้ไม่มีเหตุมีผลไม่ได้ถ้าผู้ใดก็ตามเคยเป็นฆราวาสมาก่อน เ, อเราเข้ามาแล้วทําท่าลืมตัวใช้นั้นใช้ที่อยากจะสร้างนั้นสร้างนี้ทํานู่นทำนี่แต่เมื่อตัวเองเมื่อตัวเองเป็นฆราวาสละ่ะตัวเองเคยทำไหมเคยทําบุญไหมเคยถวายพระไหมเคยถวายปัจจัยไว้ในพระพุทธศาสนาไหมเคยถวายปัจใจสีของพระไหม ไม่เคยขี้จะนีอีกยิ่งกว่าอะไรอีกแต่พอเข้ามาแล้วทําท่าลืมตัวอันนี้มันนาตําหนินะหลวงพ่อนาตําหนิแต่หลวงพ่อไม่เคยลืมตัวนะมองดูกําพืชของตนเองอยู่ตลอดว่าตัวเองเป็นมาอย่างไงทุกอย่ากลําบากยังไงพอได้มาแล้วคืเอาเก็บเก็บแล้วให้เกิดประโยชน์อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละอันนี้ก็คือปัจจัยสี่ในขั้สัตยายญาติโยมแต่ทั้ง ด้านจิตภาวนาเรื่องศีลสมาธิปัญญานะ่อันนั้นเราก็อยากหยาดลดละเพราะว่าอันนั้นคือหัวใจอันนี้เป็นปุ๋ยข้างนอกเฉยเฉยนะแต่ถ้ามันขาดปุ๋ยจริงๆมันก็อยู่ลำบากอีกเหมือนกันนะเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนหาข้าวจะทานก็มไม่ได้เวลาเจ็บใครได้ป่วยหายาจะรักษาโรค ก, ก็ไม่ได้ชนานาการะ่วหมดผนะ้า จีวงจีวงก็ขาดกระจุยกระจัยหาจะเปลี่ยนก็ไม่ได้เราจะไปภาวนามันก็ลําบากเหมือนกันแต่ถา้ามันเหลือเฟือฟุ่งเฟื่อยจนเกินไปจนไม่รู้จักประมาณอันนั้นแปลว่าหลวงตามหาบัวก็ดีหลวงปู่ลาก็ดีที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษากับท่านท่านว่าปุ๋ยเห็ดปุ๋ยมันมากเกินไปทําให้ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้โตไม่ได้ปุ๋ยมันกัดโคนต้นไม้ตาย เนพอปุ๋ยมันท่วมทดลองในต้นไม้เล็กๆเนี่ยพวกเราเอาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายขี้ไก่ใส่เข้าไปที้ขี้หมูใส่เข้าไปที่ใส่มากๆถมเข้าไปต้นไม้ตายเลยนะเพือ่พออะพราะมันปุ๋ยเกินไป <c oughs> ปุ๋ยมันมากเกินไปยอันนี้ก็เหมือนกันนะปัจจัยสีถ้ามันท่วมท้นพระลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังมารพิถมเข้าไปเนีอยคุณธรรมในจิตใจของพระเนนของเราในอะด ไปไม่ไหวเหมือนกันตายเหมือนกันนะตายจากศาสนาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะพระเนนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนะไม่รู้จักการปรับตัวเนพะราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเวลาให้ปัจจัย4ี่ท่านก็มองอีกวันหนึ่งกันนะมันขาดมากน้อยแค่ไหนมันเหลือเฟือฟุ่งเฟือยจนเกินไปหรือไม่เดี๋ยวพระเนรจะลืมตัวนะนี่ย สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้มองอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีเทระถมเข้าถมเข้าวัดของเราให้เหลือเฟือฟุ่งเฟือฟ่อยผลที่สุดพระขาดจากคุณธรรมศีลธรจริยธรรมไปหมดเลยเอละไรเป็นพระโลภโหโมกนะ เ, เป็นพระลืมตัวค่าไปเจ้าอยู่ที่วัดป่านาข้าวน้อยไม่อดไม่อยากนี่แหละอกไผ่ไหลผึ่งมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติ เท่านั้นเท่านี้น่นะพวกเราหน้าภาคภูมิใจไหถ้าเป็นพระของเราเป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อเนี่ยโอ้หน้าอดสูดูดายมากเลยถ้าว่าเป็นพระที่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยอดอยากปัจใจ ส, สี่เพียงพอไม่อดไม่อยากไม่ถึงกับลาลาบากแล่นแค้นนะ เ, เป็นอยู่ด้วยสมณะเป็นอยู่ด้วยพระมีมากาก็ใช้น้อย ปิชะตานะแล้วก็มีมากก็ใช้ตามสมควรที่มันพอเหมาะพอสมในการที่เราเป็นพร ะ, ระนะนี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นที่หลวงพ่อได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์หวงปู่หลวงตาหลวงปู่ ล, ล, ลาหลวงตามหาบัวนะที่เราเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อที่อยู่ด้วยกันนานแต่หลวงปู่ยามไม่ต้องวานะล่ะหลวงปู่ยามเรื่องจตุปัจจัยท่าน ระวังมากหลวงอานะท่านไม่ลืมตัวเลยนะพูดง่ายๆการที่จะขอสร้างการที่จะทำอะไรในวัดของท่านโดยมากท่านจะไม่คิดพิธีพิธันพรุ่นลั่นหลานรุ่นลูกลูกนหลานของท่านนะจะค่อยทำอะไรขึ้นมาสรุปแล้วก็คือไม่ใช่แนวความคิดของท่านเนะี่ยท่านไม่ก็มีแต่ส่งเสริมเท่า น, นั้นเอง น, ะนี่แหละที่หลวงพ่อได้ศึกษามา ถ้าจะว่าไปแล้วศึกษามาแบบวิธีชีวิตแบบอดๆดยากๆนะชีวิตของพระชีวิตของหลวงพ่อเนะี่ยแบบชีวิตแบบอดๆดยากๆคนะ่แต่ว่าเรื่องธรรมะทางด้านจิตใจแล้วท่านไม่ให้ล้าถอยนะท่านให้มองจุดนั้นเรื่องปัจจัยสี่เป็นเครื่องปัจจัยอาศัยชั่วค้างชัว่วขาวเท่านั้นเองถึงจะเลี้ยงอิ่มมีพีมันขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายนะ อีกสักวันหนึ่งมันจะต้องถึงจุดจบในเพื่อถึงจุดจบแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงน่ยท่านให้เพ่งมองทางด้านจิตใจนะพุทธศาสนาเนี่ยพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เพ่งมองทางด้านจิต ด, ด้านใจเอาด้านจิตใจเป็นสิ่งสําคัญได้เป็นพระอริยะบุคคลหรือยังใจของท่านนะท่านจะถึงจะพันจะพุ่งเฟิ่มพูนเฟื่อยลวยขนาดไหนก็เถอะท่านได้เป็นพระอริยะบุคคลหรือยัง ได้เป็นพระโสดาบันหรือยังได้เป็นพระสกทาคามีอนณาคามีได้เป็นพระาาาาพระหันถึงจุดจบหรือยังนี่แหละอันนี้ก็คือพระเขาต้องถามกันต้องมีความใส่ใจในจุดนั้นอะอมีชัยวัดท่านในศาลาใหญ่ท่านในวัดกว้างถูกสิทธิ์ถูกหามากมายอแต่ดูแล้ว <c oughs> เลื้อนไปด้วยออ <c oughs> อติลเลกลาบเลือนไปด้วย เ, เกินกรนไปด้วยความลืมตัวัวดนชุดก็นัน่จะได้อะไรนะเพราะนั้นขอให้พวกเราพระเดนลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพูดพูดางนี้ท้งนั้นพูดเฉพาะวัดเรานะเราไม่ได้พูดเพราะจะไปเพราะวัดอื่นเราพูดเฉพาะวัดของเราวัดของเราต้องเป็นอย่างนี้นะพ่อหลวงพ่ออยากจะให้มันเป็นอย่างนี้นะพ่อลูก หลวงพ่อเองศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อลูกหลวงพ่อศึกษามาอย่างนี้เนละจึงบอกกล่าวสอนบอกลูกบอกผ้าลูกผ้าหลานอย่าลืมตัวไปอยู่ในสถานที่ใดปัดจจัยสีพอเป็นพอไปแล้วก็อยู่ขาดเหลือขาดตกบกพ่องบอกมาเจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนที่จะช่วยเหลือได้ก็บอกมารักษาแต่จะรักษาขนานไหนก็รักษาเถอะ จุดสุดความสามารถแลก็จบเหมือนกันศราสตราแพทย์ศาสตราหมอศาสตราจารย์หมอเก่งขนาดไหนก็ถึงจุดจบเหมือนกันไม่เห็นท่านหมอท่านใดถึงมีอายุถึงร้อยถึงพันปีไม่มีร้อยปีก็ทั้งยากแล้วทั้งที่เป็นหมอเป็นศาสตราจารย์อีกต่างหากนี่แหละ เราเป็นใครเราจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะนั้นเราก็รักษาตามที่มันพอเป็นพอไปได้ผลที่สุดเราก็ต้องเทงอีกเหมือนกันร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งมันต้องถึงจุดจบแต่ก่อนถึงจุดจบจุดนั้นเรามีคุณธรรมอะไรบ้างในจิตใจของเราอันนั้นจุดนั้นสำคัญนะจุดนั้นสาคัญเรามีคุณธรรมอะไรในจิตใจเราได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์หรือ ย, ยัง เป็นพระนาคามียรหรือยังเป็นพระสกทาคามีร์หรือยังเป็นพะาารนพะโสดาบันหรือยัง <c oughs> หรืออย่างน้อยเราเป็นที่อุ่นใจหรือยังเราออกจากภพนิชชาเนี่ยเราจะไปไหนเราจะไปเกิดที่ไหนจิตใจของเราเป็นยังไงในขณะนี้ตกต่ำหรือเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ให้พวกเรามองดูตนเองอยู่เสมอนะนี่แหละเป็นผู้ไม่ลืมตัวอยู่น่าจะอยู่น่าจะฐานที่ใดดีทั้งหมดถ้าอยู่ลักษณะอย่างนี้นะ ถ้าอยู่แบบลืมตัวนะอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีนะอยู่ที่ไหนไหนก็ไม่ดีอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ดีอยู่คนเดียวก็ไม่ดีอยู่ในสถานที่มั่งมีสีสุขลารวยอู้ฟู่ด้วยปัจจัยสีก็ไม่ดีเพราะว่าตายแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนอาจจะลงไปนรกหมกไหมก็ไม่รู้เพราะห้ไรเพราะ เราไม่ได้ใส่ใจสนใจทางด้านธรรมมมีแต่สนใจแต่เรื่องทางโลกเรื่องลาบเรื่องยศเจรเสริญมีแต่อิจฉาตาเหลือคนอื่นของเขาเราจะไปอิจฉาทำไมหมามันก็คือหมาหมูก็คือหมูช้างมันก็คือช้างวัวควายแต่ละสัตว์แต่ละประเภทมันกรรมของใครของเราทั้งหมดผู้ที่ร่ํารวยกับบุญของเขาเขาเคยสร้างบุญมาในอดีตชาติตัวเองจะไปอิจฉาเขาได้ยังไง ตัวเองเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละให้มองตนเองแต่อยา่าอยากขี้เกียจนะให้ขยันให้ใช้ปัญญาคนมีปัญญาคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้แนตะ่ถ้าตัวเองขี้เกียจทั้งโง่อิจังหานะมีแต่ความอิจฉานะันจะเกิดประโยชน์อะไรมันเป็นบุญวัฒนารามีของแต่ละคนใน ศาสนาของ พ, พระพุทธเจ้าท่างกรยกตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วนะพระโมคคลาในภาษารลบุตรเป็นผู้เลิศกว่าพิสูจนทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญานะโมคคลาเป็นผู้เลิศกว่าพิสูุ์ทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธินะ์พระอานุ์เป็นผู้เลิศกว่าพิสูจน์ทั้งหลายหลายอย่างพระอนุนนี่นะทางความจําด้วยทางเป็นพุทธประทาด้วยถ้าเราศึกษาลายแนวพระอานุ์ในรับเอตตะคะนะ พระศรีวเดเป็นได้รับเอตตะคะเลิศกอ่อปิจุตหลายเป็นผู้มีลาบมากบางองค์ก็เป็นผู้แสดงธรรมไพเราะทำไมจึงได้รับเอตตะคะไม่เหมือนกันก็เพราะการสร้างบา ร, รมีมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราจะไปอิจฉาเขาได้ยังไงทำไมอิจฉาท่านสารีบุตรอิจฉาท่านโมกคลาอิจฉาท่านพระอา น, นุนอิจฉาพระศรีวเดอิจฉา เออพระกุณทะออที่ท่านพระปันธ น, นีบุตรที่ท่านแสดงธรรมไผ่ร้อเนะสียงเหล่านั้นคนผู้อิจฉาตมีแต่ความโง่เท่านั้นเลยมีแต่ตกต่ำมีแต่ไปสู่นรกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มองเขามองเรามองเขาแล้วก็มองเรามองเราแล้วก็มองเขาได้จะไปมองกันในแง่ร้ายนะมองกันในแง่เหตุผลนะ ทำไมภาษาลิบุตรจึงได้เป็นอัครสาวกเป็นผู้เลิศกว่าภิสูจ์ทั้งหลายทางด้านปัญญาตรงแม่มองเหตุผลโอภาษาลิบุตรในอดีตชาติพระองค์ตั้งความปรารถนาเอาไว้ในอดีตชาติพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นพระโมคคัลลาก็เหมือนกันแต่ละคนคงมีที่ไปที่มาทั้งหมดบุญบุญเรมีของแต่ละคนยังมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เราจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาก็ไม่ได้ อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์มีบุญหนักศักใหญ่เราก็ต้องเชิดชูบูชายกท่านอย่างองค์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่้าวนะล้วนแล้วแต่มีบุญวาสนาบารมีเราจะไปเอา é? <tober> ตัวเองเป็นหมาเป็นแมวตๆจะไปเปรียบกับช้างได้อย่างไรมัน <social S 1> เราต้องมองดูมองดูเราด้วยนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังตลอดถึงจตหา ย, ยาโยมพระเนรลูกหลานทุกองนะให้มองดูบุญบา ร, รมีของคนไม่เหมือนกันพูดง่ายๆอย่าไปอิจ ช, ชากันมันเป็นหมามันเป็นหมูมันเป็นเป็ดมันเป็นไก่มันเป็นบุ่งมันเป็นลิงมันเป็นจิ้งจกตุกแกนะ มันกรรมของใครของเราทั้งนั้น เ, เราจะไปอิจฉาเราจะไปดูถูกเขาได้ยังไงเพราะกรรมของแต่ละคนแต่ละตัวสัตว์มันต่างกันกรรมจําแนกให้สปปรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกันถ้าขนาดเป็นเกิดเป็นคนแท้ๆก็ยังไม่เหมือนกันดูสิที่นั่งอยู่ในศาล า, นานเนี่ยพระเนรทุกโอ้มันเหมือนกันไหมทาไมเพราะพระเจ้าท่านตรัสว่าคิดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันพูดไปเหมือนกัน ในเมื่อคิดพูดทำไม่เหมือนกันนะกรรมกระจำแนกให้สปปรรพสัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันอย่างคนหนึ่งไปตีหัวเขาเนะ่ก็จับเข้าคุกคดีความติดคุกกี่ปีนะคนหนึ่งไปขโมยเขาแหมกิจจีปีคนถึงไปดูถูกเขาแลบลิ้นใส่เขาเออไม่ถูกไม่รู้จักกาลเทศะนะในตาสาสาสนาสนเขาจับไปปรับไหมใส่โทษในะลักษณะอย่างนี้แหละ เหว่าก ร, รมคือการกระทํามันก็มีหนักมีเบาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคิดใครทํากรรมชั่วนะกรรมชั่วจะให้ผลติดคุกติดลางตามขั้นตอนถ้ากรรมดีก็เหมือนกันกรรมดีให้ผลก็ให้ได้รับความสุขสะดวกสบายตามขั้นตอนต่างกันอีกเหมือนกันเพดัะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะสิ่งที่มันชั่วอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดนั่นแหละดีที่สุดนะเมื่อคิดทําพูดลงไปแล้วนะ กรรมเหล่านั้นมันจะตามสนองตามให้ผลใครเป็นคนเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้ฟังเอาไว้อันนี้ถือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะตอเ น, นี้ไปพร ะ, พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตรีนา้า